ซีดีรวมธรรมบัญญายในปีพุทธศักราช2549ชุดรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวศั ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12ปฏิกรรมตอนที่2 คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้าบรรยายเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2549อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพูดข่าวที่แล้วนะคือได้พูดถึงแนวความคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ ที่ท่านมองว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้หรือพัฒนาได้ศึกษาได้นี่เพื่อพัฒนาไปให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันก็ไปโยงกันแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเชิงเหตุปัจจัยแล้วก็นี้เป็นตัวที่ทำให้การมองมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปหาระบบที่กว้างหมดทั้งจั ก, กรวาลเลย พระบบของสิ่งทั้งหลายที่บางทีก็ใช้คำว่าสับพสิ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยเะนั้นก็พอมาโยงมาทิ่มนุษย์มนุษย์ก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์นั้นด้วยพอเรามองมนุษย์ก็ต้องเอาระบบนี้มามองมันก็เลยถึงกันหมดเลยนั่นก็นแง่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเราก็มองไอ้การพัฒนามนุษย์เป็นขั้นเป็นตอน แล้วก็ระบบปัจจัยที่มันมาสัมผันกันมันก็มาเกื้อหนุนกันในเรื่องของการก้าวไปในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าการก้าวไปในขั้นตอนนี้มันก็จะเป็นปัจจัยแก่กันและกันให้ก้าวหน้าไปหนุนซึ่งกันและกันแล้วทีนี้ก็มีอันที่ย่อยลงไปอีกก็คือได้พูดถึงหลักการแก้ไขปรับปรุงเมื่อเรามีขั้นมีตอนในการพัฒนาก้าวไปเนี่ย ก็หมายความว่าเราจะทําให้ดีขึ้นที่เราเรียกว่าพัฒนาการทําให้ดีขึ้นก็คือการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องนี้แล้วผมก็ได้ยกศัพท์มาอันหนึ่งก็คือคําว่าปฏิกรรมซึ่งศัพท์เนี้ยเราไม่ค่อยได้สนใจกันอาจจะมองข้ามไปก็ได้ท่านเคยได้ยินคําว่าแก้กรรมไหมล่ะเคยใช่ไหมเมื่อสักสิปีได้แล้ว ก็มีพระองค์หนึ่งเธอชวนญาติโยมแก้กรรมกันการแก้กรรมนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเอาดอกไม้ทูบเทียนมาเข้าพิธีมันเป็นเรื่องของฤทธิเดชปาฏิหารเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับไปหมดซึ่งมันกลายไปว่าชักจูงประชาชนให้เขวออกไปนี่เรามาดูการแก้กรรมที่ถูกคืออะไรการแก้กรรมที่ถูกก็คือ แก้กรรมด้วยความสามารถของเราเองไม่ใช่ไปใช้อํานาจดนบันดาลภายนอกมาแก้อย่างที่ว่าเนี่ยทำแบบพิธีแบบนั้นก็คือไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแก้หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นลึกลับอะไรอย่างนั้นนี่แก้กรรมก็คือเรามีความสามารถในด้านต่างๆแก้ภายนอกก็แก้ทางด้านพฤติกรรมเป็นเรื่องศีลแก้ทางลึกเข้าไปก็แก้ทางจิตใจ แล้วแก้ด้วยวิธีการที่ช ง, งัดที่สุดได้โปดที่สุดก็แก้ด้วยปัญญานแก้กรรมก็แก้ที่ตัวเองนั่นแหละตัวเองก็เป็นผู้ที่แก้กรรมนี่ผมได้พูดจะเห็นว่าคมว่าปฏิกรรมเนี่ยมีภาษิตหนึ่งอยู่ในหนังสือนักธรรมตรีพุทธศาสน ส, สืบภาษิตที่ว่ากตัดสนันติปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ ซึ่งเป็นภาษิต ท, ที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งตรัสไว้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วคือสิ่งที่ทําไปแล้วมันก็เป็นอันทําไปแล้วทําคืนหมายความว่าให้กลายเป็นไม่ได้ทํา mm hmm. สิ่งที่ทําแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทํำนี่ยมันทําไม่ได้หรอกมันก็เป็นอันว่าได้ทําไปแล้วอันนั้นก็เป็นความจริงภาษิตของท่านก็คงไม่มีใครเถียงแต่ทีนี้ว่า คำว่าปติการังตัวเนี้ยก็ตัวเดียวกันกับปฏิกัมมะคืออันนี้เป็นเรื่องข้างไวยากรณ์ไวยากรณ์ว่ากรมมะการกระทําเติมปฏิเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าย้อนกลับหรือแก้หรือทําใหม่ทีนี้ไอ้กรมมะเนี่ยมันเป็นรูปศัพท์ที่เป็นนามถ้าเป็นกริยามันจะเป็นปฏิการะและพิธีของภาษาบาลี ปฏิกะระก็จะเปลี่ยนรูปไปได้ต่างๆเช่นว่าถ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งก็คือฉันข้าพเจ้าทำ ม, มันก็ออกรูปหนึ่งเช่นปติกโ ร, ร, ร, ร, รมิข้าพเจ้าปฏิกกรรมข้าพเจ้าทําแก้ปฏิกโรมินี้ก็เป็นปัจจุบันการทีนี้ถ้าเป็นอนาคตการจะเปลี่ยนรูปไปอีกนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูท่านจะได้เห็นแนวของไวิทยาศาสตราบาลี ปฏิการมิเป็นปัจจุบันการสําหรับข้าพเจ้าบุรูทินเลงถ้าเป็นอนาคตการมันเป็นปฏิกริสามิแน่ไฟรูปเลยแล้วลถ้าเกิดมันเป็นข้าพเจ้าสองคนเป็นพระหูพหจน์พระโวจนะปฏิกรโรมิก็กลายเป็นปฏิการโหมะแล้วอนาคตการปฏิกริสามิกลายเป็นปฏิกริสามะอย่างนี้เป็นต้นนี้ยกตัวอย่างเท่านั้นนะเยอะไปหมด แล้วถ้าเป็นอดีตการก็เปลี่ยนรูปไปอีกแล้วทีนี้ถ้าเป็นบุรุษที่สองมันเปลี่ยนอีกปฏิกระระเนี่ยก็เป็นรูปปัจจุบันว่าปติกรโรสิเมื่อกี้เป็นบุรุษที่หนึ่งขา้าพเจ้าเป็นปฏิกโรมิทีนี้เป็นบุรุษที่สองท่านหรือเธอมันกลายเป็นปฏิกโรสิปัจจุบันการทีนี้ถ้าเป็นอนาคตการมันกลายเป็นปฏิกฤติสิอ้าวไปโน่นอีกแล้ว แล้วถ้าเป็นพระโหพ์ล่ะก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าเป็นอดีตกายก็เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นพวกเรียนบาลีเนี่ยจึงต้องท่องเยอะแค่นี้ฉันจะเห็นแล้แล้วถ้าเป็นบุรุษที่สามล่ะอ้าวบุรุษที่หนึ่งเช่นปัจจุบันการเนี่ปฏิกรรมิพอเป็นบุรุษที่สองเป็นปฏิกรรสี่พอเป็นบุรุษที่สมเป็นปฏิกรติแล้วก็ถ้าเป็นพระโหพศเป็นปฏิกรติ ถ้าเป็นอนาคตการก็เป็นปฏิกริสติภูพ์ปฏิกริสติอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมพิงยกตัวอย่างให้เห็นว่านเนี่ยที่จริงก็คืออันเดียวกับปฏิก ร, รมแต่เป็นรูปของกิริยาแล้วก็แจกรูปไปตามเรื่องของบูรุษการพ์เป็นต้นเยอะแยะหมดเลยนอกจากนั้นเวลาเป็นรูปนาวก็มีนาวแบบต่าง รูปสับที่เป็นนามก็มีหลายรูปเป็นปฏิกรร ม, มะบางทีเป็นปฏิการะปฏิการะเช่นมาเป็นภาษาไทยเป็นปฏิกอนตัวเดียวกัปนปฏิกรรมแล้วก็ปฏิการะก็ได้ปฏิการะก็เช่นการตอบแทนบุญคุณปฏิการะต่อท่านผู้มีพระคุณก็กระทำนี่แหละก็ททำตอบแทนเหมือนก็ททำแก้มั น, นไปความหมายอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมันแจกรูปได้หลายอย่าง แต่ว่าเอารูปที่เป็นหลักเราก็ใช้ว่าปฏิกรรมเอานะฮะให้เห็นว่าปฏิกรรมมันไปหลายรูปทีนี้เป็นอันว่าเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิกรรมที่ว่าเนี่ยใช้ในความหมายหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชโพรงนั้นตรัสไว้เป็นภาสิทธิสิ่งที่ทําแล้วทําคืนไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทําไปแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้แต่ทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้น ไอปฏิกรรมที่ท่านเน้นในพระไตรปิฎกเนี่ยท่าไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นเพราะจุดนั้นมันมีนมนมความจริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วแต่ให้ต้อหนักรู้ไว้ทีนี้ที่ท่านต้องการก็คือเอาสิ่งที่ทําได้เพราะพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ทําได้ไอปฏิการังที่ว่าสิ่งที่ทําแล้วทําคืนไม่ได้ให้กลายเป็นไม่ได้ทํำอันนั้นมันเป็นอันว่าไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้ไว้จะได้ไม่ประมาททีนี้ว่า ตอนที่ว่าจะทำได้ก็คือปฏิกรรมในความหมายแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่เราเห็นง่ายที่สุดก็คือเรื่องปรงอบตดเวลาเราปรงอบตดไม่มีคำนี้ก็จริงแต่เวลาเรียกรวมในตำราเนี่ยท่านจะเรียกรวมรวมเป็นปฏิกรรมหรือปฏิกรณะอะไรพวกนี้ก็คือการที่เรามาแก้ไขมาปรงอบตดทำให้พ้นจากความผิดเนี่ยท่านใช้คาว่าปฏิก ร, รมรต่ออบติหรืออาปฏิกรณะการแก้อบติ ถ้าแปลแบบความหมายหนึ่งนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่แก้เพราะมันเป็นเรื่องของการตกลงกันทางสังคมว่าเมื่อเราทำความผิดอันนี้ไปแล้วก็มีวิธีการที่จะให้พ้นความผิดก็คือบัญญัติไว้ในทางวินยัยวินัยเป็นเรื่องสมมติเคยฟังแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าก็วางแบบแผนไว้เอา้าเธอทาความผิดแล้วก็มายอมรับความผิดนะเป็นวิธีแก้ไขวิธีปฏิกรรม วิธีปฏิกรรมก็คือมายอมรับความจริงอย่างเป็นอาบัติเบาๆก็มาบอกแจ้งแก่เพื่อนสาสตร์ธนวิกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้เป็นการบอกส่วนตัวเลยถ้าเป็นอาบัติน่ะก็จะมีวิธีต่างหากขั้นตอนก็คือบอกความจริงยอมรับความจริงบอกรับความจริงแล้วก็บอกว่าจะละเลิกไม่ทําอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกรรมก็เป็นการแก้ไขตัวอย่างหนึ่ง เพราะนั้นการปฏิบัติต่ออาบัติก็จึงเป็นเรื่องของปฏิก ร, รมทางนั้นสาระสาคัญก็อย่างที่ว่าก็คือเพื่อจะให้เราเนี่ยละเลิกการกระทำที่ผิดที่เสียหายแล้วจะได้หันไปทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันต้องเริ่มในกการยอมรับความจริงซึ่งการยอมรับความจริงอะไรแต่ไรนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาบุคคลในการที่จะแก้ไขปรับตัวต่อไปเอาละครับ ในเรื่องปฏิกรรมแก้ไขอบัติขั้นต้นในปฏิกรรมหนึ่งทีนี้ที่เราจะได้ยินอีกอย่างท่านบวชจำพรรษาเนี่ยพอบวชจำพรรษาแล้วออกพรรษาปั๊บจะมีสังฆกรรมอันหนึ่งวันออกพรรษานั้นแทนที่จะเรียกวันออกพรรษาของพระนี่เรียกชื่อย่างหนึ่งใครทราบบ้างพระนี่ไม่ได้เรียกวันออกพรรษาหรอกถ้าเรียกว่าวันประวารณา หรือวันมหาปวารณาเลยทำไมจึงเรียกวันปวนารณาเพราะว่าวันนั้นน่ะวันออกพรรษาเป็นวันขึ้น15คห้าเดือนสิอตามปกติเราจะลงปาฏิโมกข์เขาเรียกว่าธรรมโอบสถนี้วันอุโบสถสุดท้ายของพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตพิเศษว่าแทนที่จะฟังปาฏิโมกข์สตรปาฏิโมกข์หรือเรียกว่าธรรมโอโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เปลี่ยนเป็นปวนารณา สังคกรรมก็เปลี่ยนเป็นปรณนาปรณาคืออะไรคือพระสงฆ์ที่อยู่จำารรษามาด้วยกันเนี่ยก็จะมากล่าวปรณาเปิดโอกาสแก่กันปรณาคือเปิดโอกาสแก่กันบอกข้อความผมว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้เพราะพวกเราก็เป็นพระด้วยกันญาติโยมอาจจะยากหน่อยท่านถึงแม้จะไม่คุนก็ฟังไว้เพราะต่อไปพอจำพรรษาเสร็จออกภรรษาก็ต้องใช้แหละเดี๋ยวต้องท่องแหละ คงที่จําบันสะว่าสังค์พันเตปวารเรมิทิถเนวาสุเตเนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสมัมนโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัด ส, สันโตปติกริสามินี่เห็นไหมได้ยินและปฏิกริสามิมาแล้วเอาแล้วครับผมแปลให้ฟังมันยาวาภาษาบาลีท้งนั้นน่ยสังค์พันเตปวารเรมิ กับผมหรือข้าพเจ้าขอปรวรณากระสงปรวรณาก็คือเปิดโอกาสเปิดโอกาสกระสงหรือเชิดเชิญก็ยังได้แต่ว่าเอาแค่เปิดโอกาสปรวรณากระสงทิเทนะวาสุเตนะวาปริสังกายวาจะด้วยได้เห็นก็ตามด้วยได้ยินก็ตามได้ฟังมาก็ตามเนี่ยหรือด้วยมีเหตุให้สงสัยก็ตามวัฏฐันตุมัง จงบอกกล่าวข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าเห็นข้าพเจ้าทําอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรหรือได้ยินได้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่สงสัยน่าแข็งใจจงบอกกล่าวปัศสันโตปติการิสามิเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นจักได้แก้ไขจักได้ทําปฏิกรรมนี่คือปฏิกรรมก็หมายความว่านี่เป็นชีวิตของหมูนะ่คณะแล้วก็โยงมหาการพัฒนาตัว คือการอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์นี่เราก็อาศัยเพื่อนสะทันมิกมาเป็นกาลยาณมิตรชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็มาเอื้อต่อกันในการพัฒนาตัวของเราว่าเราอาจจะทําอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของเราทําให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยู่กันมาสมเดือนนี้มีอะไรที่บางทีเรามองตัวเองไม่ออกหรือไม่เห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ อ้าท่านได้เห็นได้สงสัยก็บอกกันนะแต่ผมก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวอีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นวิธีการในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สบายใจเพราะว่าองค์อื่นก็จะได้โล่งใจว่าได้บอกได้กล่าวเพราะองค์นั้นท่านทําอะไรไม่ถูกเราก็อึดอัดใจและมีโอกาสที่จะพูดจะบอกกล่าวกันก็โล่งใจก็เป็นชีวิตที่ดีในการอยู่ร่วมกัน สร้างบรรยากาศในความสามคัคคีแล้วก็ปลอดปลงโล่งเบาใจต่อกันแล้วก็เป็นชีวิตของการอยู่ร่วมกันที่เปิดเผยตัวต่อกันมันก็เป็นชีวิตที่โปร่งโล่งสบายชีวิตของสงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการที่ให้บรรยากาศของส่วนรวมของชุมชนนั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของทุกคนไปด้วยพร้อมกัน ปฏิกรรมเรื่องอาบัติก็เป็นเรื่องการปรับปรุงตัวอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพระาะนานี้ยังมาเสริมเข้าไปอีกเอาลักเนี่ยจะเห็นว่าปฏิกรรมยาในสาคัญอย่างไรในชีวิตของธรรมวินัยนี่ท่านเน้นเหลือเกินแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตและมันเป็นส่วนหนึ่งของไตรศิกขาคือช่วยในการศึกษาพัฒนาชีวิตขอยกตัวอย่างมีหลักปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่ว่าเมื่อมีการทําผิดไปแล้ว คนเราสำนึกผิดมองเห็นความผิดแล้วก็มาขอโทษต่อกันหรือมาบอกต่อผู้ที่สมควรที่จะรับรู้แล้วก็มีการให้อภัยต่อกันโดยที่ว่าผู้ที่ทําความผิดนั้นมองเห็นโทษของตอนแล้วก็จะแก้ไขละเลิกแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่อันนี้มีเรื่องเยอะในพระไตรปิฎกซึ่งบางทีเราไม่ได้พูดกันก็เป็นหลักปฏิกรรมอันหนึง่ง เป็นการทำความผิดต่อบุคคลบ้างหรือว่าทำความผิดทั่วไปอะไรต่างๆทำผปแล้วถ้าเห็นความผิดของตัวก็มาบอกกล่าวยกตัวอย่างเลยดีกว่าเช่นบางทีมีพระบางองค์ทำความผิดแม้ต่อพระพุทธเจ้าในกรณีนี้ไม่ต้องพูดถึงพระเทวทัตนะมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างในพระไตรปิฎกผมเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็มีว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปถึงเขาเรียกว่านิคมนิคมนีมน่ก็อาจจะเทียบอำเภอสมัยนั้นเรียกนิคมเสด็จจาริกไปถึงนิคมชื่อว่าปังกุทาในแคว้นโกศลที่นั่นมีวัดหนึ่งและวที่วัดนั้นก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อกัศปะโคดเป็นเจ้าอาวาสนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงทีนน่นั่นเมื่อเสด็จไปถึงแล้วพระท่านก็ต้อนรับพระองค์ตามปกติและ ทีนี้พระองค์ไปถึงไหนพระองค์ก็แสดงธรรมพระท่านอยู่กันพระองค์ก็แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเรื่องศึกขาบทเรื่องการปฏิบัติตามพระวิ น, นัยพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกเป็นจานวนเท่าไหร่ตรัสไปตรัสไปตัวพระ ท, ที่เรียกว่าเป็นเจ้ า, าวาดเนี่ยท่านฝังแล้วท่านรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าแหมทําไมเข้มงวดเหลือเกินท่านก็เลยรู้สึกในใจคล้ายๆใจท่านทนไม่ไหว แล้วก็เกิดความขัดใจต่อพระพุทธเจ้าคิดในใจว่าท่านสมณะนี้เข้มงวดเคร่งคัดอะไรกันนักหนาคิดในใจอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกไวไงท่านก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระทั้งหลายเป็นไปได้ดีเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จต่อไปแล้วก็ไปประทับที่เมืองราชคลื่ทุกท่านก็รู้จักล้ที่เมืองราชคลื่พอพระพุทธเจ้าไปทางโน้นแล้วออกจากที่ของพระองค์นี้ไป พระเจ้ า, าวรองคเนี่ยที่ชื่อกัสปโคณเนี่ยก็มานึกได้บอกเอเราถ้าจะไม่ถูกเสและมีความรู้สึกไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปคิดในทางที่ว่าข้าข้างตัวท่านก็คิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนใจท่าเรียกว่ามีวิปติสารเดือดร้อนใจว่าเราคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ถูกต้องเมื่อเดือดร้อนใจทําไงก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องไปขออภัยพระพุทธเจ้าน ท่านก็เลยออกจากนิคมนั้นแนหะที่ปังกุฏานิคมที่แควนโกรธสนแล้วเดินทางไปยังเมืองราชคลึกไปถึงแล้วก็เขา้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัสทักทายเป็นยังไงอะไรต่างๆอยู่เป็นสุขสบายดีหรือเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์นี้ก็เลยบอกเหตุผลที่ตัวท่านมาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จไปคราวนั้นแล้วก็ข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่พระทั้งหลายแล้วก็เกิดความรู้สึกทนไม่ได้ขัดใจว่า ทำไมพระองค์จึงได้เข้มงวดเคร่งคาดกันนักหนาอะไรเนี้ยตอนนี้ข้าพระองค์รู้สึกเดือดร้อนใจว่าไม่ดีคิดผิดมีความรู้สึกไม่ดีต่อพระองค์เป็นความละเมิดล่วงเกินก็จึงมาขอให้พระองค์ยอมรับเ้าเรียกว่ารับความผิดของท่านหมือน่ับท่านทำความผิดแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเออถ้าท่านเห็นว่านี้เป็นความผิดเราก็ยอมรับ และพระองค์ก็ตัดคำนี้จะเป็นหลักที่มีตัดในพระจตรปิฎกเรื่อยเอาเป็นภาษาบาลีนะว่าวุฒิเหสาในกรณีนี้ก็เป็นภิกขุคือตรัดกับพระแออกองค์นี้ชื่อกัศปะโคตก็ตัดเรีย ก, กว่ากัศปะวุฒิเหสากัศปะอริยสัวินเนย์ท่อนหนึ่งแหละโยอัจจะยังอัจจะยโตทิสวายาถาธรรมังปฏิการติ อายติงสังวรังอาปัจ ช, ชติตินี่ข้อความภาษาบาลีก็แปลเป็นท่อนๆว่าวุตถิเหสากัสปอริยสกวินเยนีนท่นที่หนึง่งเอาตัดตัวบุคคลที่เรียกชื่อออกไปมันจะได้ง่ายสั้นข่าวุติเหสาอาริยสวินเยวุตถิภาษาไทยก็เอามาใช้วุติเหสาข้อนี้เป็นความเจริญงอก ง, งาม อริยสัวินเนยในวิเนยของพระอริยะเจ้าอริยสัวินเนยเอาสั้นๆก็เหลือคําว่าอริยวิเนยก็แปลว่าข้อ น, นี้เป็นความเจริญงอ่งงามในอริยวิเนยอริยวิเนยก็คือวิเนยของอริยชนหรือแบบแผนของอริยชนโยอาจจะยังอาจจะยัตโตทิสวายถาธรรมังปฏิกรติคือการที่บุคคล มองเห็นความผิดที่ตนได้ละเมิดหรือทำไปแล้วว่าเป็นความผิดปฏิกรโรติแล้วกระทำคืนแก้ไขหรือปฏิกรรมนี่ปนปฏิกรรมใหม่แหลยะยถาธรรมังให้เป็นไปตามธรรมคือให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมอาญติงสังวรังอาปัจติแล้วถึงความสำรวมระวังสืบต่อไปนี่เป็นหลักการเลยพุทธพจน์อันนี้ ใช้กันเรื่อยพระสาวกก็ใช้ตามพระองค์ในเวลามีใครทําความผิดแล้วก็มากล่าวคล้ายๆว่าให้ยอมรับความผิดหรือว่าขออภัยกันนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่าคําให้อภัยของท่านนี้จะมีความหมายไม่ใช่ว่าให้อภัยกันเฉยๆมันมีไวยะอยู่ด้วยเอาแปลกทีแปลให้เต็มบอกข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินยัย คือการที่บุคคลใดได้มองเห็นความผิดที่ได้ล่วงละเมิดไปนั้นว่าเป็นความผิดแล้วก็กระทำการแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมและถึงความสำรวมระวังสึบต่อไปพุประโยชน์เจอเยอะหมดเลยนะในพระไตรปิฎกข้อความเป็นแบบเลยเพราะว่ามันได้หลักการอผมเล่าอีกสักเรื่องหนึ่ง คือเรื่องต่อภาษาริบุตรก็มีเรื่องว่าครั้งหนึ่งในภาษาริบุตรขณะอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจะพบว่าขบพระสงฆ์อยู่เสมอที่ว่าเวลานั้นญาติโยมมาเวลานี้พระสงฆ์มามาฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือว่าให้ถามปัญหาอะไรกันคราวนี้เมื่อประชุมสงฆ์พระอยู่กันแล้วก็ตอนนั้นถึงเวลาที่ภาษาริบุตรท่านจะลาพระพุทธเจ้า ไปที่อื่นไปไกลภาษาดิบุตรก็เข้ามาทูลลาพระพุทธเจ้าคราพระองค์จะไปที่ถิ่นแดนอนพระพุทธเจ้าก็ตัสอนุญาตพระษาดิบุตรก็จะเดินทางก็ออกจากที่ประชุมนั้นไปนี่พอภพาษาดิบุตรออกจากที่ประชุมนั้นไปก็มีพระองค์หนึ่งเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกภาษาดิบุตรเนี่ยทำอะไรกระทบกระทั่งข้าพระองค์แล้วก็ไม่ขออภัยไปซะหนิว่างั้นนะ ก็คือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยท่านเดินผ่านไปทีนี้จีวรของท่านอะบังเอิญไปถูกพระองค์นั้นพระองค์นั้นไปโนรธยังไงก็ไม่รู้นะเป็นคนถือโกรธง่ายๆพระพุทธเจ้าก็เลยจัดให้พระเนี่ยไปนิมนต์ภาษาริบุตรกลับมาคือพุทธเจ้าจะต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาทิ้งขายอยู่ภาษาลิบุตรเขาไม่ทันได้เดินทางก็กลับมาก็มาฟ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จัดเล่าให้ฟังวันเนี้ยพระองค์เนี้ย บอกว่าเธอได้ทํากระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ได้ขอภัยจะไปแล้วภาษาลิบุตรท่านก็ต้องแก้ไขก็คงจะมีการสนทนาว่าได้ทําความผิดอะไรท่านก็ให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล่วงเกินอะไรแต่ว่าท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมสุภาพถ่อมตัวมากภาษาลิบุตรเนี่ยท่านเป็นอัครสาวกก็จริงแต่เป็นคนถ่อมตัวนั้นท่านก็จะกล่าวเพียงแต่ให้เห็นว่าท่านเนี่ยได้ระมัดระวังตัวมาก ท่านเอามาเล่าไว้ว่าตัวท่านเนี่ยจเจริญกายกตาสติเป็นประจำแล้วก็มองดูตัวเองเหมือนอย่างผืนแผ่นดินอันนี้ข้อที่หนึ่งคือผืนแผ่นดินเนี่ยใครจะเอาของดีไปรถเช่นเรามีอะไรดีแหละน้ําหวานที่เราชอบเนี่ยเอาไปรถมันก็ไม่ว่าจะเอาน้ําอาจมของสกรปรกไปรถแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่ว่าอะไร แต่ของสะอาดของสปกปรกของที่คนชอบใจไม่ชอบใจไปรถไปอะไรทะอะไรไปถ่ายรถเอาของดีไปฝังเอาทองไปใส่ท่านดินก็ไม่ว่าไงทางนั้นแต่ท่านก็เปรียบเทียบตอบไปเหมือนกันน้ําน้ําก็เหมือนกันใครจะเอาอะไรไปใส่ไปลงน้ำน้ําก็ไม่ว่าอะไรไปกระทั่งว่าท่านก็ทําตัวเหมือนกับคนจันทานคนจันทันก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งละโมดคนอื่น ท่ากว่าของท่านไปจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือท่านเจริญกายคตตาสตินี่เป็นไยยะหนึ่งกายคตาสติก็คือสติที่เป็นไปในกายให้รู้ว่าในร่างกายของเราเนี้ยมีมีส่วนประกอบอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้น่าดูน่าชื่นชมอะไรมีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออะไรไปจกนกระทั่งถึงสายน้ําฝ่ายอาโปธาดมีเลือดหนองอะไรต่างๆมากมาย ถ้าคนได้เจริญการยะสตตาสติเนี่ยนอกจากะเห็นความจริงของร่างกายแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ไม่มาพลมพองตัวคือจะมองเห็นว่าร่างกายของเราที่เรามายึดถือเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราเนี่ยความจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่มีทั้งน่าชื่นชมไม่น่าชื่นชมและส่วนมากทว่าไปแล้วมันก็ของเน่าของป่วยเท่านั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราส่วนประกอบของตัวเราอย่างนี้แล้วเราก็ ไม่มาถือเนื้อถือตัวอะไรกันนักหนาว่าไปตามสมมติตกลงกันอันนี้ก็เป็นนวยะความหมายหนึ่งที่จะได้จากการเจริญกายยะคตาสติภาษาลิบุตรท่านก็ยกเหตุผลนี้มาด้วยว่าท่านก็มองตัวเองโดยที่ไม่ได้นึกไปยึดติดอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดไปพรรณนาซะหลายข้อจนในที่สุดพระองค์นั้นฟังท่านแล้วทนไม่ไหวเกิดความเสียใจจนกระทั่งต้องมาแสดงออก เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ช่วยรับความผิดของท่านด้วยท่านขอเขามานั่นเองท่า mm hmm. นก็บอกว่าเนี่ยท่านได้เห็นความผิดแล้วท่านได้กล่าวโทษภาษาริบุตรเรียกว่ากล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงก็คือไปตู่เอาเป็นว่าภาษาริบุตรเนี่ยมาร่่งเกินกระทบกทั่ท่านแต่ที่จริงนะท่านไม่ได้เจตนาจะมากระทบกระตือนอะไรเนี่ยท่านกล่าวตู่ภาษาลิบุตรแล้ว ท่านทนไม่ไหวว่างั้นเถอะก็ขอให้ยอมรับความผิดของท่านพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอา้าวพระองค์นี้ท่านมาขอโทษอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรจะว่าอย่างไงพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้านะ่ยยินดีให้ภยัยจะขอให้ท่านองค์นั้นนะ่ยให้อภัยท่านด้วยก็คือว่าแม้ท่านจะไม่ได้ทําความผิดนะ่ยแต่ท่านก็เห็นว่าท่านผู้นั้นนะ่ยได้มีความรู้สึกไม่ดี แล้วก็อย่างที่ว่าแม้ท่านจะไม่ได้เจตนาล่วงเกินมันก็อาจจะไปกระทบกระทั่งแม้ไม่เจตนาแล้วก็ให้ท่านให้อภัยด้วยภาษาลิบุตรก็เลยขอให้ท่านองค์นั้นนะ่ะให้อภัยท่านแล้วท่านก็ให้อภัยแน่นอนตอนนี้เรื่องระหว่างภาษาลิบุตรกับองค์นั้นก็เป็นว่าให้อภัยกันไปแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสพระองค์ก็เกี่ยวข้องด้วยในการที่ว่าพระองค์นั้นเข้าไปขอให้พระองค์ยอมรับความผิดของท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า เมื่อท่านทำความผิดแล้วท่านมายอมรับความผิดนั้นก็ไม่เป็นไรก็จัดอันนี้แหละวุทิเหสาพิขุบอกว่าข้อนี้เป็นความจเจริญงอก ง, งามในอริยวิ น, นัยคือการที่ผู้ใดได้ทำความผิดล่วงละเมิดไปแล้วหรือล่วงเกินไปแล้วมองเห็นว่าเป็นความผิดแล้วก็มาแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมถึงความสํารู้ระวังต่อไปก็หลักการเดียวกัน เราจะเห็นว่าในทางพธศาสนาเนี่ยในด้านหนึ่งก็จะพยายามรักษาหมู่คณะให้อยู่ร่วมกันในสามัคคีมีอะไรผิดพลาดล่วงเกินต่อกันเราก็มาแสดงออกต่อกันซ้าไม่มวกเก็บแล้วก็มาขืนอะไรต่อกันมันก็จะหมดปัญหาแล้วก็จะเกิดความสามัคคีและที่สำคัญก็คือมันก็เอื้อต่อการที่จะพัฒนาตัวของเราในการแก้ไขปรับปรุงล้วก็มีเรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่อยเป็นธรรมดา มองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้บรรยากาศของการพัฒนาชีวิตเจริญใจสิกขาเพราะฉะนั้นปฏิกรรมในเรื่องของหลักการนี้ก็สําคัญนะจะเห็นว่าที่ผมพูดมาในวันนี้ก็คือเรื่องปฏิกรรมแล้วเรื่องปฏิกรรมเนี่ยก็มีหลักใหญ่คือหนึ่งเรื่องของการแก้ไขอาวุธแล้วก็เรื่องของภาวนาเปิดโอกาสกันในการบอกกล่าวเพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตัว แล้วสก็เรื่องหลักการที่ว่ามองเห็นความผิดแล้วก็มายอมรับต่อกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็ตัวเองเมื่อผู้อื่นให้อภัยแล้วตัวเองก็มาแก้ไขปรับปรุงตัวต่อไปด้วยตกลงว่าไอ้เรื่องสิ่งที่ทําไปแล้วก็ไปอันได้ทําไปแล้วท่านไม่ว่าอะไรหรอกเขาแปลว่าทำแต่ทีนี้ถ้าทําไปแล้วมันไม่ดีก็ต้องละเลิกคิดหนึ่งยอมรับความจริง2ก็ละเลิกมันเสีย3ก็แก้ไขปรับปรุงทําให้ดีต่อไป ในสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็แก้ไขทำให้ดีต่อไปแม้แต่เป็นวัตถุท่านก็ใช้คาว่าปฏิกรรมเช่นอย่างพระภิกษุเนี่ยจะไปที่อื่นอันนี้หลักเกณฑ์ทางวินัยเนี่ยก็จะมีว่าของสงเต็บไปไม่ได้เช่นยกตัวอย่างว่าพระภิกษุจะไปที่อื่นก็หยิบเอาของไปถ้าเป็นของบุคคลถ้าเขานุญาตก็ไม่มีปัญหาเอาไปได้ แต่ถ้าเป็นของสงเป็นคารุพันธ์หรือเป็นพวกอสังหาริมะวัตถุคารุพันธ์นี่อาจจะเป็นสังหาริมะก็ได้เคลื่อนที่ได้แต่อสังหาริมะก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เ <reflects> <FBE. S 3> ช่นที่ดินสังหาริมะเคลื่อนที่ได้เช่นอย่างกล้องถ่ายรูปกระดาษสมุดดินสอแต่อสังหาริมะเคลื่อนที่ได้อาจจะเป็นคารุพันธ์เป็นของหนักของใหญ่เช่นว่าเป็นเรืออะไรดีล่ะยกตัวอย่างเช่นว่า ถังน้ําของวัดอย่างนี้เป็นต้นนะเคลื่อนที่ได้จริงแต่ว่าเป็นคารุพันธ์อย่างนี้ก็ถือเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นี่ท่านบอกว่าเอาไปไม่ได้ต้องปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือต้องชดใช้ถ้าทําเสียหายต้องปฏิกรรมแก้ไขถ้าว่าเอาไปก็ต้องปฏิกรรมชดเชยเราก็มีคําว่าปฏิกรรมสงครามเคยได้ยินไหม <c oughs> ก็มาจากศัพท์พระนี่แหละว่ารบกันแล้วแพ้สงครามฝ่ายญี่ปุ่นนี่ต้องปฏิกรรมสงครามให้พวกสัมพันธมิตรเยอะเลย อันนี้ก็คือชดใช้นั่นเองพระก็เหมือนกันถ้าเอาของสงไปก็ต้องปฏิกรรมถ้ามันเป็นของที่เราใช้ชำรุดเราก็ต้องปฏิกรรมแก้ไขให้ดีถ้ามันเป็นของที่เอาไปเลยก็ต้องมาปฏิกรรมชดใช้อะไรนี่แหละปฏิกรรมทั้งนั้นใช้ทั้งวัตถุและชีวิตทางนามธรรมาด้วยปฏิกรรมในทางวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นการที่ปฏิบัติได้ในระดับของกฎกติกาที่ต้องมี แต่เรื่องทางด้านจิตใจเรื่องของชีวิตคนก็ต้องเอาปฏิกรรมมาใช้ด้วยแล้วก็จะทําให้ชีวิตเจริญงอกงามเหมือนกับวัตถุที่ว่ามันเสียหายถ้ารู้จักปฏิกรรมมันก็อาจจะดีขึ้นนี่ชีวิตของเราถ้าเราไม่ปฏิกรรมก็ไม่เจริญงอกงามมันก็แยม่มันก็เสื่อมดังนั้นหลักปฏิกรรมเนี่ยน่าจะคิดน่าจะเอามาใช้กันให้มากผมก็เลยเอามาเล่าอีกอันหนึ่งคิดว่าก็พอสมควรและเรื่องปฏิกรรมน่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขะเลย แล้วก็อยู่ในหลักการพัฒนามนุษย์แนวคิดเรื่องที่มีต่อมนุษย์เนี่ยอยู่ในส่วนของการพัฒนาชีวิตเป็นการศึกษาก็เอาแล้วมันนะถ้าท่านไม่มีอะไรก็จะได้ไปพักผ่อนอะไรกันบ้าง